पथयं विहरति जेतवनी जीवलक्षणं जीतवनं उभासितवा ् तीनुपसंकमी उपसंकमितवा ् भगवान्तं अभिवादितवा ् ก็ขอโมทนาในกุศลเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยคือในขณะที่เดินหรือระลึกคุณของพระศาสดาบางท่านอาจจะระลึกหลายอย่างลรืลมอย่างเดียวแต่สภาพที่ศรัทธาที่กำลังตั้งมั่นขึ้นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นขึ้นนั่นแหละก็เป็นปัจจัยแก่ความที่ว่าเกิดปลาโมดสภาพของปลามมดเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เป็นความอิ่ม แบบแบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่พอหลุดจากปลาโมดแล้วจะเข้าถึงสภาพของปีตินั่นเเมื่อระลึกถึงคุณเพราะการกระทบของคุณของพระศ า, าสดานั่นแหละจะทำให้สภาพของปีติเกิดขึ้นมีขุธกาปีติเริ่มจากเล็กๆในน้อยเป็นต้นจนถึงขนาดบางท่านเนี่ยปีติจนน้ำตาไหลไรหรือขนาดว่าเป็นไปทั้งตัวเป็นต้น เมื่อคลอดจากปีติได้ถ้าไม่แตะกลางคันได้ก่อนจะเข้าถึงความสงบในความสงบเนี่ยพอความสงบเริ่มตั้งมั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยจะเข้าในความสุขก็จะทราบซ่านขึ้นมาเนียทั้งกายและจิตสุขโสมนัสนั่นแหละถึงจะเป็นประทา ฐ, ฐานของสมาธิสมาธิตรงนี้นี่แหละจะอยู่ในชั้นของอุบยายแล้วที่มีคุณของว า, าสดาเป็นอารมณ์ จะตั้งมั่นทีนี้ความตั้งมั่นตรงนี้นี่แหละท่านถึงอาศัยตรงนี้เมื่อสมาธิระดับนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกามาชันทะตรงนั้นจะถูกขม่มพยาบาทท่านจะออกจากกรารมาชันท้าได้ด้วยสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ตอนนี้สมาธิเป็นประธานนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็ออกจากพยาบาท ออกจากทีนยมิทะออกจากวิจิกิจฉาออกจากอุทะจารออกจากอาวิชชาออกจากความไม่ยินดีเข้าถึงความยินดีความผ่องใสฉะนั้นพอบาปอาวิกรุจอธรรมเนี่ยสงบระงับสภาพจิตก็สะอาดขึ้นความสะอาดของจิตนั่นแหละตรงนี้จะเป็นมูลฐานรากแห่งการที่จะเดินวิปัสสนาญาณต่อ เมื่อคนมีความเข้าใจในลักษณะกิจอาการปรากฏและเหตุใกล้ของสภาวธรรมเมื่อเข้าใจสภาวะลักษณะนั้นเพื่อจะเข้าถึงยกขึ้สู่สามัญญาสรเพ็นโดนได้อาศัยสมาธิตรงนี้นี่เองที่เป็นฐานคนที่เขาท่านถึงเจริญพุทธคุณและบรรลุกันที่เป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ก็คือว่าการออกจาก ออกจากกรารมฉันท่ายาบาทีนะมีทะอุทะจ่าโอคุจ่าอุจิกิช้าเนี่ยการออกชั่วขณะหนึ่งๆตอนนั้นน่ยกระแสจิตยังเป็นบริกรรมมาสมาธิเป็นสมาธิในบริกรรมฉะนั้นการเป็นสมาธิในบริกรรมเนี่ยจะออกได้ชั่วขณะหนึ่งๆขณะหนึ่งๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคมได้ไม่แรงแต่กรณีงการที่เริ่มใช้บริกรรมมาสมาธิ ในการไค่ควรมากขึ้นจนสภาพของกระแสจิตเนี่ยเข้าจนถึงความปลาโมดผ่องใสามากขึ้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจากการที่กระทาให้ต่อเนื่องกระทาให้ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มข้อมูลมากขึ้นและเห็นคุณของภาษาสดาชัดขึ้นนั่นเงในที่สุดจริงๆนั่นแหละไม่ใช่เห็นแค่โลกิยะคุณที่กล่าวเพียงพระธานบรารมี แต่เห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตราคุณคำว่าเห็นในที่นั้นแปลว่าใจน้อมว่าทิ่พระศาสดาทรงบำเพ็ญบารมีที่เป็นโลกิยะทั้งหมดเพื่อโลกุตระให้แก่เราได้อย่างไรสภาพใจจะเกิดความปลาโมดเกิดปีติปฏิสัทธิและความสุขสภาพความสุขที่แข็งแรงจะเป็นประทัด ฐ, ฐานของสมาธิฉั้นสมาธิที่ตั้งใหม่ๆก็จะเป็นสมาธิที่ยัง ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่นั่นแหละการที่ระลึกและจนเกิดความชํานาญและตั้งจนเป็นอัธยาศัยได้เมื่อไหร่สมาธิเหล่านั้นนั่นแหละถึงจะเป็นฐานค่อนข้างแข็งแรงระลึกตั้บเดียวก็สมาธิก็ดิ่งแป๊บเดียวสมาธิก็ดิ่งได้อันนั้นคือความชํานาญของสมาธิที่เดินจันเป็นว ส, สีในชั้นของอุปจาระสมาธิระดับนั้นนะจึงจะเป็นปรรทัด ฐ, ฐานแก่การที่จะได้ เดินวิปัสสนาปัญญาต่อไปที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาที่ไปไประชุมในสภาวะลักษณะและศีลสภาวศีล ส, สมาธิปัญญาที่จะไปยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เมียอ น, นิจานุปัสสนาเป็นต้นฉะนั้นในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกลายละเอียดหนึ่งซึ่งจะเดินวิปัสสนาต่อจากการแทงตลอดในสายของพุทธคุณเปนะลุงอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย การเดินเบื้องต้นเนี่ยต้องทำให้ต่อเนื่องจนสามารถมองเห็นน่าสิ่งต่างๆเห็นเป็นคุณของภาษาสดาได้พระเนี่ยเวลาท่านอุ้มบาตรับบาต ท, ท่านก็ตระหนักในพระคุณของภาษาสดาว่าพระมหากรุณาธิคุณของภาษาสดาที่ประทานบาตเป็นเจดี ท่านมีชีวิตอยู่ได้เพราะบาทใบนั้นอาหารแต่ละคำที่ท่านบริโภคฉันก็ไปพระศาสดาดูแลท่านเพราะท่านไม่มีบ้านท่านไม่มียาติแต่พระศาสดาต่างหากเป็นศาสดาเป็นสรณะจีวรเนี่ยเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าครมกายท่านอยู่ ท่านเห็นคุณของพระศาสดาซึ่งประทานปัจจัยสี่ให้ท่านท่านเห็นน่พระศาสดาอามาเจ็บป่วยยุค้าเจ็บป่วยอุบาสกอุบาสิกาดูแลเนี่ยแต่ท่านเห็นผ่านอุบาสกอุบาสิกาเห็นพระศาสดากำลังดูแลท่านเนะ ย, ยามท่านทุกข์ พระศาสดาดูแลให้ให้อาหารให้ยาให้ที่อยู่ให้เครื่องนุ่งห่มพระศาสดาไม่เคยทอดทิ้งท่านพระศาสดาดูแลทุกเรื่องหนาวพระศาสดาประทานสังฆิซ้อนนอกให้ต่อมา เขียนว่าสาวกของท่านจากอ่อนแอทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจพระศาสดาก็ประทานที่อยู่ให้บอกไม่ต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำพระศาสดาทรงอนุญาตกุฏิวิหารให้เพื่อให้บริษัทสาวกของท่านเนี่ยได้ตั้งความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ ทำให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งมักยังไม่ถึงผลยังไม่ได้บรรลุนิพพานยังไม่ได้ทำให้แจ้งนั่นแหละพระศ า, าสดาทรงประทานให้เราเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยพระศาสดาก็ประทานที่ปฏิบัติทำให้อาหารพระธรรมสิ่งแวดล้อม การเห็นอย่างเนี้เขาเรียกว่าเห็น菩萨าสดาในที่ทุกแห่งถ้าไม่เห็นอย่างนี้จะไปเห็นโทษของสังสารวัฏยังไงต้องเห็นแบบนี้จะได้เห็นคุณของ菩萨าสดาว่า菩萨าสดามีพระคุณมากชีวิตของเราที่ผ่านมาเราไม่เห็นคุณของ菩萨าสดาจึงเป็นแบบนี้ไงถึงต้องมาเจ็บปวดหลงทางกันอยู่เนี่ยฉะนั้นการระลึกในลักษณะเนี้ย แม่ของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรแสดงพุทธคุณให้ฟังเธอก็ร้องไห้ต่อมาเธอก็ทําปลาโมดปีติปสัสสติความสุขสมาธิให้ตั้งขึ้นแล้วต่อมาเธอภาษาลิบุตรแสดงอริยสัจนางก็ได้บรรลุนางตำหนิพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้ามาทั้งชีวิตเกือบลมหายใจขาด เหมือ น, นเราไงไม่เห็นคุณของพระศาสดามาทั้งชีวิตเนี่ยจนเราไม่ใจเกือขาดนั่นภาษาลิบุตรแสดงทำโปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยและจนมารดาได้เป็นพระโสดาบันนางก็ร้องไห้ว่าทำไมไม่บอกว่าพระศาสดามีคุณอย่างนี้ตอนที่ภาษาลิบุตรปรินิพานเนี่ย นางก็คอยเฝ้าดูเฝ้าดูพอรู้ว่าภาษาลิบุตรป ร, รินิพานนั้นนางก็คารไปที่นารันทา น, นั่นแหละกอดเท้าภาษาลิบุตรบอกเรียกว่าพ่อแม่ไม่เห็นคุณของพ่อมานานแม่ไม่เห็นคุณของพระธรรมแม่ไม่เห็นคุณของพระศาสดามาแม่อยากจะถวายอาหารเนให้ลูก แม่ไม่ได้ทําวันนั้นเลยนางสลบมันเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่านั่นไงถ้าเราพิจารณ า, าอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าเนี่ยนี่แหละว่าคนที่เขาเห็นคุณของพระาศาสดาเนี่ยเขายอมทุกอย่างเพระาะศาสดาเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภยัยเป็นที่นําไปข้างหน้าจริงๆถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรเราจะนึกว่าเอ๊อแล้วเราล่ะ เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเราเห็นคุณของภาษาสดาแต่เรายังเห็นน้อยไงถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นมากเนี่ยความมุ่งมั่นของเราจะแข็งแรงกว่านี้จะตั้งมั่นกว่านี้อามายกพระเนี่ยเพราะอยู่ใกล้ชิดอามาก็สังเกตพระท่านต้องตันหนัก ท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ท่านปฏิบัติได้แค่เนี้ยแต่พระศาสดาก็ยังให้อภัยบางครั้งทําผิดพระศาสดาก็บอกแก้ไขได้อยู่แต่อย่าเกินกว่าเหตุแก้ไขได้แต่อย่าไปเผลอบ่อยผิดครั้งก็แก้ไขผิดท่านก็แก้ ยามป่วยไข้ท่านดูแลเห็นมหมถ้ามองอย่างนี้เราเป็นอุบาสกบาสิการพระาศาสดาก็ดูแลเพราะเป็นบริษัทของท่านแต่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจพระผู้มีพระภาคเจ้าไงเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าพระาศาสดาดูแลเราทุกขุมขนนี่เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละ ฉะนั้นถ้าเราพอจะเห็นคุณของภาษาสดาคิดคุณของภาษาสดาได้เนี่ยศรัทธาเรายังไม่แน่นอนนะ ย, ยังอ่อนเอเพราะบ่มเพื่มากแก่กล้าพอแต่ต่อการที่จะกล้าที่จะก้าวเดินออกจากโอคาได้เพียรพอที่จะข้ามจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทีทุกข์ได้ มีสติขแข็งแรงพอในการที่จะข้ามอันนกคือสังสารวัตรได้มีปัญญาบริสุทธิ์เพียงพอต่อการที่จะกําจัดกิเลสให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้ต้องเพียรพยายามในการที่จะพ่อพูนยิ่งๆทุกคนเมื่อได้คำสอนรู้คำสอนแล้วต้อง รีบมุงมแล้วก็เก็บเกี่ยวเพิ่มพูนไปเรายังอยู่ในทะเลเรายังลอยคอในทะเลแต่ตอนนี้เราเห็นเรือเราเกาะเรือได้แล้วแต่ยังขึ้นไปได้ยังไม่แข็แงแรงบางท่านอาจจะขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราตกจากเรืออีกก็เทร้อยเรือในที่นั้นเป็นชื่อของอียิมักเป็นสมเผาทองลาใหญ่เนี่ย ถ้าเกาะได้แล้วอย่าทิ้งถ้าเราทิ้งหรือปล่อยมือเพราะเราเมื่อยแล้วก็เป็นเหยื่อของฉลามของสัตว์ร้ายในทะเลหมาสมุทรที่เป็นไทยที่น่ากลัวนั้นพยายามขึ้นไปบนเรือให้ได้พยายามขึ้นนี้ได้อย่าให้ศิกขาสามกฤษณสมาธิปัญญาเนี่ยมันหลุดจากใจ นั้นแปลว่าเราตกเรือสมเพาทองลำใหญน่นั่นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนยจงมุ่งมั่นในการเดินตามรอยบาปภระสาสดาพเพื่อจะถึงปังดังที่เราตั้งใจไว้ต่อไปได้อุทิศ ส, ส, ส่วนกุศลกันนะ